ส่วนหนึ่งให้แม่เก็บไว้ซื้อข้าวและให้น้องๆไปโรงเรียนอีกส่วนก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆและค่าอาหารกลงางวันของอัมภาจึงทำให้อัมภาไม่มีเงินเก็บเลยอัมภาเคยได้ยินคำกล่าวว่าวัยว่าคนที่ไม่มีเงินเก็บคือคนจนขั้นพื้นฐานถ้าไม่ระมัดระวังในการใช้จ่ายจนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาก็จะกลายเป็นคนจนจริงๆ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 อัมหากึงวิ่งกึงเดินไปที่รถโดยไม่ได้ถามว่ารถจะไปที่ไหนเพราะเวลานั้นมันมืดและเปรียวน่ากลัวมากเธอคิดเพียงแต่ว่าขอให้ไปพ้นจากที่นี่ก่อนก็เลยขึ้นรถโดยสารขนั้นไปพอนั่งไปได้สักพักเธอก็ถามคนในรถว่ากาลังจะไปไหนผู้คนเหล่านั้นนั่งก้มหน้านิ่งไม่มีใครพูด